มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีประจำปี2563พุทธปชวปชวปชวสม .6 และเทียบเท่าตั้งแต่บัด น, นี้เป็นต้นไปดูรายละเอียดกำหนดการรับสมัครและเงื่อนไขต่างๆได้ทาง w w w o r e g r m u t t a c t h สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center 02 ห้าสี1เก้าสามหกหนึ่งสามถึงห้าศูย์สองห้าสี่เก้าสามหหนึ่งสามถึงห้า RMU TT Farm Shop ยินดีต้อนรั บ, รบค่ะ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 ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นไปกับทาวเจอร์ทราเวลโดยโด็อเตอร์วิภาวีเวีรวงด็อรเตอร์สอนชัยบุตรแก้วและอาจารย์พี่พัฒนพงศ์วัฒนกรยากุลที่นี่วิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 89.5 MHz เม สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการทาวเจอร์ทาวเบลค่ะพบกับดิฉันวิภาวีวิวรบ ว, วงนะคะและก็คุณออกัสทิพฒนพงศ์วัฒนากนารลยากุลค่ะซึ่งจะอยู่เป็นเพื่อนของคุณผู้ฟังในงานที่นี่เอฟเอ็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นช่วงที่ใกล้ปีใหม่กันแล้วนงานช่วงนี้รายการของเรานั้นนะคะก็จะ น, นําเสนอค่ะเกี่ยวกับเรื่องของวันปีใหม่ค่ะใกล้วันขึ้นปีใหม่แบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเทศกาลแห่งความสุขค่ะป ปีเก่านะคะใกล้จะผ่านไปปีใหม่ก็ใกล้จะมาเยือนเช่นเดียวกันนะคะข้าก่อนอื่นนั้นเรามารู้จักกับประวัติความเป็นมาของวันปีใหม่กันค่ะวันปีใหม่นะคะหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ค่ะคนผู้ฟังปีพุทธศักราช 2,563 นะคะหรือว่าเราเรียกกันว่า Happy New Year นะคะ 2,20 ก็ใกล้เข้ามาถึงกันแล้วค่ะวันขึ้นปีใหม่นี่หลายๆคนนะคะก็คงจะชอบนะคะเพราะว่าบางคนนี่ก็ได้หยุดกันหลายวันเลยเลยค่ะว่าแต่หยุดฉลองปีใหม่ทุกปีเนี่ยนะคะรู้กันไหมคะว่าประวัติวันขึ้นปีใหม่นะ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 ของวันขึ้นปีใหม่นะครับวันขึ้นปีใหม่นั้นก็ตามความหมายในพจนานุกรมค่ะให้ความหมายว่าปีนั้นนะครับมา โลกนั้นนะคะมีการโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว365วันค่ะหรือเวลา12เดือนตามสุริยคตินะคะดังนั้นปีใหม่จึงหมายถึงการขึ้นรอบใหม่หลังจาก12เดือนหรือ1นปีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟงังและตามความเป็นมาของวันขึ้นปีใหม่นั้นนะคะก็มีประวัติความเป็นมาซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและความเหมาะสมนั่นเองนะคะแต่ในสมัยแรกเริ่มของชาวบาบิโลเนียเนี่ยก็มีการเริ่มคิดค้นการใช้ปฏิทินนะคะโดยอาศัยระยะต่างๆของดวงจันทร์นั้น เป็นหลักในการนับค่ะเมื่อครบ12เดือนก็ให้ถือกำหนดว่าเป็น1ปีค่ะและเพื่อให้เกิดความพอดีนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของการนับปีตามปฏิทินกัปีรีฤดูกาลนะคะจึงได้เพิ่มเดือนเข้าไปอีกหนึ่งเดือนเป็นสิบสามเดือนในทุก4ปีนั่นเองค่ะต่อมานะคะชาวอียิปต์ชาวกรีกและชาเซมิเตีย ก, ก็ได้มีการ ปฏิบัติ ต, ตามของชาวบาบิโลเนียนะคะแต่ดัดแปลงแก้ไขอีกหลายครั้งค่ะเพื่อให้ถูกต้องกับฤดูการมากยิ่งขึ้นนะคะจนถึงสมัยของกษัตริย์จูเลียสซีซ่านะคะก็เมื่อประมาณาคิตศักกะหลาดนะคะหรือว่า46ปีก่อนเนี่ยนะคะก็ได้มีความความคิดของนักดาราศาสตร์ชาวอียิปต์ค่ะชื่อโซยินเนซิตนะคะมาปรับปรุงให้1ปีนั้นมี365วันค่ะโดยทุกๆ4ปีนะคะก็ให้เติมเดือนที่มี28วันนะคะขึ้นอีก1วันเป็น29วันค่ะ หรือเดือนกุมภาพันธ์นะคะเรียกว่าปีอธิกาสุรทินนั่นเองค่ะเพื่อเพิ่มให้เดือนกุมภาพันธ์นั้นมี29วันในทุก4ปีนะคะแต่วันในปฏิทินนั้นก็ไม่ค่อยตรงอีกค่ะคุณผู้ฟงังก็เวลาในปฏิทินนั้นก็ยาวกว่าปีฤดูกาลเหมือนเดิมนะคะเป็นเหตุให้ฤดูกาลนั้นก็จะมาถึงก่อนวันในปฏิทินนั่นเองค่ะและในวันที่21 มีนาคมนะคะตามปฏิทินของทุกปีนะคะก็เป็นช่วงที่มีกลางวันและกลางคืนเท่ากันค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเป็นวันที่ดวงอาทิตย์นั้นนะคะขึ้นตรงทิศตะวันออกและรับลงตามทิศตะวันตกนั่นเองค่ะวันนี้ทั่วโลกนั้นนะคะจึงมีช่วงเวลาเท่ากับ12ชั่วโมงเท่ากันเรียกว่าวันที่วาราตีเสมอภาคมีนาคมนั่นเองค่ะ ค่ะและสําหรับความเป็นมานะคะของวันปีใหม่ไทยของเราค่ะสําหรับปีใหม่ไทยสาหรับประเทศไทยนั้นนะคะก็เดิมเราก็ถือเอาวันแรมหนึ่ําเดือนอ้ายนะคะซึ่งก็ตรงกับเดือนมกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่นั่นเองนะคะแต่ค่ะคุณผู้ฟังขาเพื่อให้สอดคล้องกับคติแห่งพระพุทธศาสนานะคะหรือว่าช่วงเหเมันหรือหน้าหนาวนะคะก็เป็นการเริ่มต้นปีค่ะต่อมานั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามคติพราหมณ์นะคะก็เลยถือเอาวันที่1น่ําเดือน5นั้นเป็นวันปีใหม่ค่ะก็ตรงกับวันสงการนะคะดังนั้น สมัยโบราณนะคะเราก็จะได้เห็นกันในละครว่าเป็นวันสงการเนี่ยที่เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยนั่นเองค่ะแต่การนับวันปีใหม่และวันสงการตามวันจันทรคตินะคะเมื่อรับเทียบกันวันทางสุริยคติเนี่ยย่อมมีความคลาดเคลื่อนไปในแต่ละปีค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นนะคะในวันหนึ่งค่ำเดือน5พิศขนศาพนิบสองนะคะก็ตรงกับวันที่1เมษายนนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นจึงถือให้เอาวันที่1เมษานั้นเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยนับมาตั้งแต่่่นนนัั้เพือวปีใหม จะได้ตรงกันทุกปีค่ะเมื่อเรานับทางสุริยะคตินั่นเองนะคะถึงแม้ว่าวันขึ้นหนึ่งข้ามเดือน5ต่ต่อมานั้นจะไม่ตรงกับวันที่1เมษายนแล้วก็ตามนะคะคุณผู้ฟังก็ถือเอาเดือนเมษายนนั้นเป็นเดือนแรกของปีนับตั้งแต่นั้นมาค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะประชาชนส่วนใหญ่นะคะตามชนระบบนั้นก็ยังคงยึดถือเอาประสงการนั้นเป็นวันขึ้นปีใหม่เหมือนเดิมนะคะค่ะว่าวันขึ้นปีใหม่ น, น, นะคะก็มีเดือนมาเมษายนมาเรื่อยๆค่ะจนถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะมันเป็นระบอบประชาธิปไตยค่ะทางราชการนั้นนนก็็เหวว่าั ปีใหม่วันที่1เมษายนนะคะก็มักจะไม่มีงานรื่นเริงอะไรมากมายค่ะก็มีการเห็นสมบูรณ์ก็จะต้องฟื้นฟูขึ้นมาใหม่นะคะจึงได้ประกาศให้มีงานรื่นเริงในวันปีใหม่นะคะวันที่1เมษายนพฤษภาคมสันร้อยเจ็ขึ้นในกรุงเทพเป็นครั้งแรกนะคะจนมีการแพร่หลายเอาไปต่างจังหวัดค่ะและต่อมาในปีพฤษภาันร้อยเจ็ก้านะคะก็ได้มีการจัดงานปีใหม่ทั่วทุกจังหวัดค่ะมีชื่อทางราชการว่าวันตรุษสงการนั่นเองค่ะคุณผู้ฟงังและเหตุผลที่ทางราชการนั้นนะคะได้เปลี่ยน ขึ้นปีใหม่จากวันที่1เมษายนเป็นวันที่1มกราคมก็เพราะอะไรรู้ไหมคะก็คือ1นทางะะไม่ขัดกับพระพุทธศาสนาค่ะในด้านของการนับวันเดือนและการร่วมฉลองปีใหม่ด้วยการทําบุญค่ะและ2นั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการเลิกวิธีนําเอาลัทธิพราหมณ์มาคล่อมพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะและ3นะคะทำให้เข้าสู่ระดับสากลที่ใช้อยู่กันนะในต่างประเทศทั่วโลกเลยนะคะและ4นะคะอันนี้ก็สําคัญะคะ่ะเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมคติธรรมและจารีตประเพณีของชาติ น, นั่นเองค่ะและส่วนกิจกรรมนะคะที่มีในวันขึ้นปีใหม่นะคะก็จะมีดังนี้ค่ะก็มีการทําบุญตักบาตรนะคะโดยอาจจะตักบาตรที่บ้านหรือว่าไปที่วัดตามสถานที่ต่างๆที่ทางราชาการนั้นได้เชิญและก็ให้เรานั้นไปร่วมทําบุญค่ะก็มีการกราบขอพรผู้ใหญ่นะคะและมีการวอวยพรเพื่อนฝูงมอบของขวัญและมอบช่อดอกไม้นะคะหรือการส่งบัตรอวยพรค่ะหรือตอนนี้จะเป็น s อ AH s นะคะส่งกันทางไลน์หรือว่าทางอินบ็อก Facebook นะคะมีการจัดงานรื่นเริงค่ะจัดเลี้ยง ในหมู่เพื่อนฝูงนะคะญาติพี่น้องหรือว่าตามหน่วยงานต่างๆนะคะ วันขึ้นปีใหม่นั้นนะคะก็เป็นโอกาสดีค่ะที่จะทําให้เรานั้นได้ทบทวนถึงการดําเนินชีวิตในอดีตที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะได้แก้ไขข้อบอกพร่องที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังในวันปีใหม่นั้นนะคะก็จะมีการทําบุญตัก บ, บาตรนะคะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะมีการฟังเทศไพรนกปล่อยปล า, ปลาและอวยพรซึ่งกันและกันนะคะก็จะมีการส่งคําอวยพรนะคะทางช่องทางต่างๆนะคะในโลกออนไลน์หรือว่าหลายคนเนี่ยก็จะมีการส่งบัตรอวยพรเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มอบของขวัญไหว้ผู้ การรับพรค่ะรวมถึงการส่งน้าพระพุทธรูปนะคะมีการประดับธงชาติและก็เตรียมต่งตางๆความสะอาดบ้านและที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะถ้าพูดถึงวันปีใหม่นะคะทุกคนจะต้องรู้แน่เลยนะคะในเรื่องของเพลงวันปีใหม่ค่นแน่นอนเลยนะคะเพลงที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆในช่วงวันปีใหม่ก็คือเพลง พรปีใหม่นั่นเองนะคะซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่13นะคะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะซึ่งพระองค์นั้นนะคะทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2494นส้นั่นเองค่ะเมื่อครั้งที่พระองค์นั้นเสด็จนิวัตพระนครนะคะและประทับณพระตำหนักศิตละดาละหฐานพระราชวังดุสิตนั่นเองค่ะโดยมีพระราชประสงค์นะคะให้เนื้อเพลงนี้เป็นพรปีใหม่ที่พระราชทานแก่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่านั่นเองค่ะ และพรองคนั้นนะคะได้ทรง พระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้พระองค์เจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เป็นสิรินะคะนิพนธ์คำร้องค่ะเป็นคําอํานวยพรปีใหม่นะคะและพระสทานแก่วงดนตรี2งวงคือวงดนตรีนิสิต จ, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนะคะอ่าเป็นผู้นําออกบรรเลงเพลงณจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยค่ะและวงดนตรีสุนทราพรนะคะนําออกบรรเลงณัสาราเฉลิมไทยเป็นครั้งแรกในวันปีใหม่นะคะตรงกับวันอังคารที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2495ันั่นเองค่ะคุณผู้ฟัง เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังคะนั้นก็เป็นข้อมูลนะคะของวันปีใหม่ให้เราได้ทราบกันนะคะและช่วงต่อไปนะคะคุณ อ, อัลกัตนะคะจะนําเสนอคะ่ะที่ถ่ายรูปนะคะชิคชิคและท่องเที่ยวไปในวันปีใหม่คะ่ะสำหรับช่วงรู้ก่อนเที่ยวต้องขอพักสักครู่นะคะกลับมาพบกับคุณ อ, อัลกัตในช่วงวันดราม่าเพลินช่วงนี้พักสักครู่คะ่ะคุณผู้ฟัง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 อิ่มในความรักยิ่งอบอุ่นเสมออยากมีความรักให้เธอ ตรงนี้ที่มีเพียงแค่เธออิ่มในความรักยังอบอุ่นเสมออยากมีความรักให้เธอไปนานๆอุ่นในความรักหลอลอยอยู่ตรงนี้อยู่ที่ตรงนี้ที่มีเพียงแค่เธออิ่มในความรักยังอบอุ่นเสมออยากมีความรักให้เธอไปนานๆ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 พืศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมของแหล่งนั้นๆครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าเป็นสัปดาห์ที่ทุกท่านเฝ้ารอคอยเพราะว่าอะไรเพราะว่าใกล้จะถึงสัปดาห์ที่จะหยุดยาวอีกครั้งหลังจากที่เราหยุดยาวในช่วงของต้นเดือนธันวาคมมาแล้วนะครับสำหรับในช่วงของปีใหม่ก็จะเป็นช่วงที่หยุดยาวที่หลายๆท่านนะครับเลือกที่จะเดินทางนะครับกลับบ้านต่าจงจังหวัดนะครับหรือว่าท่องเที่ยวในต่างประเทศ แต่สำหรับสัปดาห์นี้นะครับออกกับมีไฮไลท์พิเศษก็ต้องผู้ฟังจะมาแนะนําสถานที่ดูไฟคริสต์มาสและปีใหม่2020หลากหลายสถานที่ที่ได้จัดเตรียมไว้สําหรับท่านผู้ฟังทุกท่านเลยให้ท่านผู้ฟังได้ไปถ่ายภาพมาเปลี่ยนโปรไฟล์ล้วนๆหรื อ, ร อ, ร อ, ร อ, รอนําไปอวดเพื่อนที่แต่งจังหวัดก็ได้เพราะเราเชื่อเหลือเกินครับว่าท่านผู้ฟังหลายๆคนเฝ้ารอให้ถึงช่วงเวลาของปลายปีแบบนี้มาถึง เพราะว่านะครับบอกได้เลยว่าเป็นช่วงที่ตักตวงความสุขนะครับทั้งกิจกรรมในเรื่องของคริสต์มาสนะครับกิจกรรมในเรื่องของปีใหม่บางคนมีในเรื่องของโบนัสเข้ามาด้วยในเมื่อเป็นเรื่องโบนัสครับเราแนะนําสถานที่ถ่ายรูปแล้วก็สถานที่ที่จะทําให้ผู้ฟังไปละลายโบนัสได้อย่างทันใจเลยละครับสำหรับสถานที่แรกเที่ยวกัารพาท่านผู้ฟังเดินทางไปนั่นก็คืองาน world of happiness ที่เซนทันเวิร์สครับ งานนี้นะครับจัดขึ้นตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายน2512ถึงวันที่6มกราคม2563กล่าวได้ว่าจัดประมาณ3เดือนข้ามปีกันไปเลยนะครับณลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซนทันเวอร์ความพิเศษของไฟประดับในปีนี้ไม่แพ้ปีอื่นที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการสัมผัส ต, ต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ที่สูงถึง35เมตรถือว่าเป็นต้นคริสต์มาสที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับพร้อมกับของตกแต่งน่ารักน่ารักหลายพันชิ้น บนพื้นที่พรมสีแดงขนาดกว่า 1,000 ตารางเมตร นอกจากนั้นยังไม่พอครับท่านผู้ฟังอลังการไปด้วยนะครับแสงสีเสียงประดับระดับโลกทีนระมิดพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตรให้สวยงามอารามเรื่องรองในยามค่ําคืนไปด้วยดวงไฟน้อยใหญ่หลายหมื่นดวงผสมผสานกับไลท์อันซาวเข้ากับจอดิจิทัลอินเทอร์แอฟเฟกขนาดใหญ่ให้ความตื่นตาตื่นใจงดงามน่าหลงไหลบอกเลยว่ามีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้นสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ o กเซ็นทรัลเวครับ มาถึงห้างน้องใหม่ของเรากันบ้างสำหรับปีนี้ไอคอนสยามได้จัดงานอย่างตื่นตาตื่นใจกับการประดับประดาไฟท่ามกลางหมู่มวลแห่งความสุขด้วยความสนุกในงานซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายน2562ถึงวันที่5มกราคม2563ณลิเวอร์พาร์คชั้นจีห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามภายในงานคุณผู้ฟังจะได้พบกับการประดับไฟและขบวนต้นคริสต์มาสที่ยาวที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพยาอลังการไปด้วยนะครับขบวนต้นคริสต์มาส กราฟไทยที่ประับตกแต่งผสมรวดลายไทยและพันพึกษายอย่างวิจิตรตั้งแต่งานโดดเด่นด้วยความสูงกว่า22เมตรครับตลอดจนการชมทุ่งดอกไม้และต้นไม้สีสันต่างๆนะครับที่เนรมิตให้เฉิดฉายเปล่งประกายรีประยับจากไฟที่ประดับเพื่อร่วมฉลองนะครับบรรยากาศแห่งความสุขต้อนรับคริสต์มาสและปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ตาตาณไอคอนสยามพาร์คชั้น2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในที่ โทรศัพท์หมายเลข024957080 024957080หรือ www.iconsiam.com/facebook/iconsiam ครับกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ก็ว่าได้ครับกับห้าง M c อ r e เทียที่จัดงานขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2522ณศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรและดีเอ็มคอเทียนะครับซึ่งตรงบริเวณตรงนั้นนะครับถามว่ายิ่งใหญ่จริงๆนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมและดีเอ็มคอเทียก็ไม่พาดีชวนเรานะครับสรรพสัสตว์ต่างๆนะครับในสีสันน่ารักสดใสมาเรียกรอยยิ้มและส่งความสุขให้กับทุกคนพร้อมกับการตกแต่งประดับประดาไฟแสงไฟนะครับหลากสีสันสอรังการทั่วทั้งศูนย์การค้าให้ทุกคนได้สริเอตมุมถ่ายภาพเป็นอย่างจุใจแบบที่นะครับไทยนะครับไม่ได้อัปรูปใหม่ แล้วมาที่นี่เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-269-1000 02-269-1000 ครับมาถึงจุดไฮไลท์ที่หลายๆคนคงจะเฝ้ารอฟังอยู่นั่นก็คือห้างทั้ง3ห้างที่จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ในสโลแกนวันสยามงานฉลองสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมทุกความตื่นตาตื่นใจความแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร และความสนุกสนานเหนือจินตนาการผ่านโชว์ดับโลกและการแสดงนี้สร้างความประทับใจไม่ลืมลืมมาถ่ายรูปกับดิสเพย์สุดล้ำทั้งสามนการค้าในคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกั น, กนสยามพารากอนเต็มไปด้วยสีสันตะการตาและเอนเตอร์เทนเมนต์ระดับเวิร์ลคลาสพร้อมด้วยต้นคริสต์มาสอลังการรูปประสาทในเทพนิยายสยามเซ็นเตอร์นำแสดงงานศิลปะที่ผสมผสานไลฟ์สไตล์ล้ำเทกับตุ้นแรงมานานใจใหมๆ่ๆและต้นคริสต์มาสเมจิกคอสเพเก่า สยามดิสคอเวอรี่ชวนมาสัมผัสกับการค้นหาการใช้ชีวิตแบบคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสัมผัสกับต้นคริสต์าแนวหลักโลกที่มีเครื่องฟอกอากาศภายในด้วยซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook วันสยามครับห้างเกสรก็ไม่แพ้ใครในสําหรับปีนี้เปิดฉากเทศกาลแห่งความสุขพร้อมกับความสนุกยิ่งใหญ่กับงานเกสร์เอ็กซ์บาสวิ2019ตั้งแต่วันนี้จนถึง6มกราคม2563ณศูนย์นการค้าเกษร์วินเล็กครับ นารมิดทุกพื้นที่ในเกสอนเวเลตเป็นอาณาจักแห่งความสุขที่เปี่ยมไปด้วยฟิลลิ่งของความสุขสนานแต่ถว่าเรียบหรูด้วยมูสแอนโทนของสีแดงวายสีเขียวสีทองสีชมพูซึ่งเป็นสีพิเศษที่มีความสวยเกย๋เรียบหรูและเข้ากันได้อย่างดีกับเหล่าคริสต์มาสไอเทม ดึงช่วยนะครับขับบรรยากาศให้ดูหวานละมุน ล, ลงตัวและชวนสะดุดตาไปกับการตกแต่งที่มาพร้อมกับลวดลายกราฟิกเพื่อเติมเต็มสีสันแห่งคริสต์มาสปาร์ตี้ได้อย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบมากกว่าเดิมซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข026561107 026561107ครับและอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่แพ้กันเลยกับอมรินคริสต์มาส เติมเต็มความอบอุ่นกับเทศกาลแห่งความสุขในงานอมรินคริสมาตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่6มกราคมพุทธศักราชสองพนอยหกครยาชั้นหนึ่งอมรินพาซาสําหรับปีนี้นะครับอมรินนะครับได้จัดนะครับให้ดาวสุกนะครับมาไว้บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขแช่นะครับรวมแชร์ภาพความประทับใจเพื่อเพิ่มกิจกรรมบนดาวสุก สุขช็อปนะครับกับโปรโมชั่นเด็ดนะครับและลุ้นของรางวัลอย่างมากมายแล้วก็สุดชิม น, นะครับให้คุณลิ้มรลองรสอาหารกับเครื่องดื่มนะครับต่างๆมากมายที่ได้จัดไว้นะฮะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ม า, ายเลข 02-650-470-402-650-4704 หรือ Facebook อัมรินพาซาครับ และอีกหนึ่งที่ที่เราจะไม่ไปไม่ได้เลยคือเซนทานเอมบัสซและเซนท่านชิดลมร่วมสองเทศกาลแห่งความสุขนะครับกัแบบการต้อนรับเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองด้วยสหาปัจักรรมที่สลุกสนานนะครับด้วยคอนเซปต์นะครับเดอะบิ๊กฮอลิเดย์ นะครับที่มีการออกแบบโดยกลุ่มสถาปนิกระดับโลกมากฝีมือจากกรุงโคโเฮเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กมีชื่อเสียงในการเปลี่ยนพื้นที่ให้เต็มไปด้วยความสุขและมีชีวิตชีวาพร้อมกิจกรรมสนุกอย่างมากมายสําหรับคอนเซปต์ในปีนี้นะครับจะส่งมอบประสบการณ์ความสุขผ่านชิ้นงาน9ชิ้นโดยสถาปัิกกรรมต่างๆนะครับจะกระจายตัวอยู่ทั้ง7ชั้นของเซนทันเอมบราซี่เชื่อมต่อความสุขด้วยลิฟบินแห่งความสุขนะครับริบบิ้นคริสต์มาสที่ยาวที่สุดในโลก5กิโลเมตร พร้อมไฟประดับสุตการตาถือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ5ปีของเซนทันเอมบั์ซีด้วยครับ สำหรับริบิ้ น, นี้นะครับจะเริ่มต้นนะครับด้วยริบินสีแดงวิพันอยู่รอบทางเชื่อมสถานี BTS เพลินจิตลากยาวเข้ามาถึงศูนย์การค้าเซนทัลเอ็มบาซีมีการเปลี่ยนรูปล่างครับทั้งหมุนเกลียวเป็นต้นคริสต์มาสตั้งแต่ ง, ต ง, งานและปิดเป็นตัวอักษร Big Holiday ครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าสวยงามจริงๆซึสถานประกรรมชิ้นแรกนะครับก็อยู่จัดที่บริเวณชั้นจีผลงานที่มีลักษณะเป็นกล่องของ ข, องขวัญหลากหลายขนาดวางซ้อนกันอยู่ สำหรับชิ้นที่2นะครับเป็นอุโมงค์หรือบินขนาดใหญ่ชิ้นที่3นะครับตั้งอยู่ฝั่งหนึ่งของชั้นจีเป็นผลงานที่เข้ามาเติมนะครับสหวิธีกรรมทั้งถองฟอทั้งชั้นจีนะครับซึ่งสามารถนั่งเล่นบริเวณ น, นั้นได้ชิ้นที่4นะครับตั้งอยู่บริเวณชั้น1 น, นะครับชิ้นงานมีลักษณะเป็นกรองของ ข, องขวัญครับตั้งเรียงหมุนตามแกนกลางแสดงให้ถึงแนวคิดของชุมชนแนวดิ่งภายใต้พื้นที่ที่จำกัดครับ ชิ้นที่5นะครับอยู่ตรงบริเวณชั้นสําสำหรับชิ้นที่6นะครับเป็นผลงานการแสดงลักษณะขั้นบันไดบิดโคง้งพร้อมลุงซอนต้านะครับตัวใหญ่3เมตร สำหรับชิ้นที่7นะครับเป็นพื้นที่ปลดปล่อยจินตนาการอยู่บริเวณชั้นที่3ชิ้นที่8นะครับตั้งอยู่บริเวณชั้นที่4มีลักษณะเป็นเหมือนฟันเฟืองคับมีแขนยื่นออกมารอบๆและชิ้นสุดท้ายชิ้นที่9นะครับถูกออกแบบมาให้ลักษณะคล้ายกับลูกหางที่กําลังหมุนวนเหมือนลังพึ่งที่มีความแปลกตาและสวยงามอีกทั้งบริเวณชั้นจียังมีบ่อบอล น, นะครับให้เด็กๆได้สนุกสนานด้วย อันนี้ก็ถือว่ามาที่เดียวก็สุดที่จะคุ้มค่าจริงๆกับการเที่ยวปีใหม่ในครั้งนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ฟังสําหรับข้อมูลที่เราเสนอไปหวังว่าท่านผู้ฟังตอนนี้คงจัดเตรียมชุดเตรียมกล้องพร้อมที่จะไปถ่ายภาพในบริเวณดังกล่าวแล้วใช่ไหมครับออกกันแล้วก็พี่โบ๊ต้องขออนุญาตไปถ่ายภาพก่อนเดี๋ยวจะมาอัปรูปโปรไฟล์แบบรัวๆบน Facebook ซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บกับปลุกคอมเว็บด็อกเช็กชิลคที่เอื้อเฟื้อข้อมูลในครั้งนี้สําหรับสัปดาห์หน้า